ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งการจเจริญสติเพื่อจะดูจิตการดูจิตเนี่ยให้ดูด้วยสติอย่าดูตรงตรงอย่าดูจิตตรงตรงให้ดูปันผ่านถ้าดูจิตตรงตรงแล้วมันจะเกิดการเพ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเพ่งจิต ให้ดูผ่านๆให้ดูเฉยๆแบบไม่เอาอะไรจิตใจจะผ่อนคลายการดูจิตเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนบทสุดท้ายที่นักภาวนาจะต้องทำในส่วนนี้การเจริญสติเพื่อดูจิต กเป็นวิปัสสนา